เทศเรื่องคนเรื่องมนุษย์นี่แหละเทศจเรื่องอื่นก็มีเรื่องเท็จอะไรหลอกมนุษย์ของเราที่เรียกว่ามนุษย์สมบัติสมบัติคือของที่เราได้มาแล้วเรียกว่าสมบัติของมาถึงมือของเรามาถึงตัวของเราเนะี่ยเรียกว่าสมบัติ มนุษย์สมบัติในทั้งของดีวิเศษได้อะไรทั้งหมดสู่อันนี้ไม่ได้ทั้งนั้นที่เป็นมนุษย์สมบัติมาแล้วนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างมีพร้อมมดสวรรค์สมบัติก็อยู่ในนั้นนิพพานสมบัติก็อยู่ในนั้นในมนุษย์สมบัติเั่นั้น คนที่จะไปเกิดสวรรค์ก็ดีเป็นพรหมก็ดีถึงพระนิพพานก็ดีต้องมาได้มนุษย์สก่อนมาเป็นมนุษย์นี่เสียก่อนมาสร้างสมเอาอในมนุษย์ของเรานี่แหละ าสาวกทั้งหลายพู้ไเจ้าเป็นตนท่านกขมามาสร้างมนุษย์นี้ทั้งนั้นมาสร้างมนุษย์เพียงพอแล้วยังไปได้สวรรค์นั้นได้นภาพเจ้าของสุดเลิอดที่สุดมนุษย์ของเรานี่เป็นเบื้องต้นเบื้องต้นที่จะพูดถึงเรื่องมนุษย์สมบัติ สามารถที่จะทำดิบทำดีทุกสิ่งทุกอย่างอบรมศึกษาวิชาความรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเท่าพยามมหากษัริย์มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกประกบบาร ถ้าไม่ได้มนุษย์จะแล้วก็ไม่ได้ของพระนางจึงว่ามนุษย์สมบัตินี้เป็นของดีเลยดียิ่งกว่าสิ่งอื่นว่าดีจนกระทั่งเป็นผู้วิเศษวิโสทุกสิ่งทุกประการพระพุทธเจ้ากล่าเกิดในมนุษย์เก่อนั้นภาษาว่าทั้งหลายก็มาเกื้กอมนุษย์ในเท็จคน ที่จะเป็นประพุทธเจาาจะเป็นพาะองค์ถ้าเกิดในพบอื่นชาอื่นไม่ได้เป็นหรกคนเราทุกคนที่เกิดมาได้ชื่อว่าได้มนุษย์สมบัติแล้วแปลว่าคนเราลอยละเหลืองทิ้งเสียไม่ได้บำลุงื่อไม่ใส ปรับปุงให้มนุษย์สมบัติเลี้ของดีเลิศขึ้นปล่อยให้ละทิ้งไ ป, ปพุทธความชั่วเลียวไหลทุกประการมนุษย์นี่แหละจะชั่วกว่าดีเป็นนักเลงสุรายาเมา ถ้าสัดคิดตัวพืชพิดทุทกอย่างทุกประการถ้าไม่ได้มนุษย์ได้ก็ทำไม่ได้ของประับต้องในมนุษย์ก่อนพวามในกายวาจาใจจิงค่อยทำคมชั่วได้ละทิ้งเสียให้ไปทำคมชั่วเสียหน้าเสียท้าให้เสดาย บุญกรรมตกแต่งมาให้เกิดเป็นมนุษย์ได้สมบัติอันดีแล้วแต่เราไม่ปฏิบัติเราไม่รักษาสมบัติ น, นั้นสมบัติอันดีมีค่าอย่างเท็จเนีนกินดาเขาได้ไมาต้องรักษาไม่คองดีมาต้องรักษา แม่ตกหล่นแม่ตกหายแม่อะไรไมาถูกบุกสลายของดีกั้องรักษาไว้มันดีคนเราหามันไม่เห็นอย่างนั้นท่าเป็นอย่างนั้นทุกคนมันก็ดีสิรู้สึกว่าตนได้มนุษยธรรมนั่นของดีเลย นละไรักษาคลองสีนั้นไวมันก็นของวิเศษเลโลกวันนี้จะไม่วุ่นวายโลกนี้นี่จะไม่เดือดร้อนเป็นของหน้าอยู่ที่สุดมนุษย์อากระทาชั่วเร็วสั้นไม่ใช่คนอื่นทำมนุษย์ทำแท้ๆพวกเป็นผีปีศาจทั้งหลาย ไม่มาทำคมชั่วหรอกคนเราเนี่ยทำคมชั่วจึงว่าจะสร้า ง, งคามชั่วทำคมผิดทุจริตต่างๆนั่ ง, งก็มาได้มนุษย์ช่ก่อนได้นมนุษย์สมบัติพร้อมโมลิบูลใช่ก่อนเรียกว่ามีกายมีวาจามีใจ นี้ใจใจอย่างเดียวไม่สามารถทําคชำ功德ได้ที่พวกเปรพวกผีอะไรต่างๆมันมีใจใจมันไม่ปรากฏกายไม่ทําความชั่วอะไรให้ใครหรอกที่ว่าผีก็ผีนั่นคนดูว่าผีก็เลยเข้าใจว่าผีหลอกที่จริงไม่ใช่ผีตัวเราหลอกเองตัวเราหลอกตัวเราเองต่างหาก มันมีใจใจไม่ตราบจะไปะไม่ทราบจะเอาใดม ป, ประหารประหารทำลายคนอื่นรัดชอรมวยพขาก็ไม่เห็นม่นมีกายพูดโกหกพูดอะไรพูดเท็พูดโกหกเขาไม่ได้มันไม่มีไม่มีวาจาพูดมันก็ไม่ได้ยินพูดภาษาของเขาไม่ได้ยินมนุษย์เท่านั้นแหละที่จะทำ มชั่วทุกประการอย่างฆ่าสัตกรรมนุ์นี่แหละเป็นคนพาพูดศีวิาสา์ไม่กล้าแล้วรักทรัพย์กรมนุชนี่แหละรักประพฤติคิดวิจัยกรรมนุ์นี่แหละประพฤติถ้าโกหกอุตส่าหว่ากรรมนุ์นี่แหละกล่าวก็มีจะมีวาจา ดื่มสุราไม่ไรกับมนุษย์นี่แหละดื่มมนุษย์นี่แหละสร้างขึ้นมามนุษย์นี่แหละต้แต่งให้เป็นสุราอย่าเมามนุษย์เราเขาเข้ากับรัฐประทานก็ไปอีกเมาก็มนุษย์เนียเป็นคนเมาทำลายคนอื่นกับมนุษย์เนี่ยเป็นคนทำลายนี่มันทำคนชั่วในอย่างนี้กาเหตุที่เวลาสะสมดีของตน ถ้ารักษาตวาดีของตอนนกระบวนกาสุดพดุทธองค์จิใจใเบิกบานเลนจากความชั่วนะเลนจากครือไม่ทำความชั่วห้าประการนะครับอยู่เย็นจสุขไม่ใช่สิเราคนเดียวหมูพ่พวกเพื่อนอยู่ด้วยกันมนุษย์ชาวโลกด้วยกันเย็นสบายเป็นสุขม อั น, นี้แหละ พ, พื้นฐานของมนุษย์สัตรมของเรามันดีอย่างนี้แหละอรา น, นี้ถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกมนุษย์ของเรามีกายมีวาจาแลมีใจมีสามอย่างเอาใจนั่นแหละเอาที่ะนากาย พิจารณาใจเห็นเป็นโทษเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นอสุภาพปฏิปูลเกิดความเบื่อหน่ายนั้นเรียกว่าพวกพรมเกิดเป็นมนุษย์แตจะเป็นพรมจิตอยู่ด้วยอารมณ์นั้นอสุภาพปฏิกูลเปลี่ยเน่าปฏิกูลนั้นเรียกวพวกพรมดีขึ้นไปอีก ตัวมนุษย์ลัวธรรมดาที่ว่ามาเบื้องต้นนั้นพิจารณากายนี้แหละให้มันสงบระงับดับสูนแลงหมดจงกระทั่งไม่มีกายไม่มีใจใจนั้นแะเรียกว่ามันเรียกว่ามนุษย์ไม่ผมอรูปผมแต่เกิดจากมนุษย์นี่เหมือนกัน ถ้ามันมีกายแล้วก็พิจารณากายไม่ไม่มีกายเรื่องพิจารณาก็ไม่เกิดอสุภปฏิกูตไม่เป็นรูปภปพในพิจารณาลกตั้งกายนี่มันก็ไม่ถึงอรูปภพอีกมันต้องอยู่กับกายนี่แหละถึงโลกุตระธานี เินารณากายเห็นสุภากิเห็นแล้วนนเจริญเป็ของปติคูณว่างเฝ่าเห็นหมดแล้วพิจารณาระงับดับเจียถึงรูป ส, งสังกวงมดจะเห็นแล้วไม่จิตไม่ข้องในสิ่งต่างๆรูปก็ไม่จิตอะารูปก็ไม่จิตมันก็พนจกรูปไปอรูปไป ท, ทั้งที ดีขึ้นไปโดยรดับอย่างนี้ร่างกายมนุษย์ของเรานี่อันเดียวนี่นะเกิดจากสมบัติมนุษย์สมบัติอันเดียวถึงชั้นเทวดาชั้นผุ่มลูกปุ่มถึงโลกกรรทำได้เหตุนั้นเชิงว่าเราได้มนุษย์แล้วเราไม่พิจารณาเราไม่พิจารณาให้เป็นมนุษย์สมบัติ ให้เป็นสมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันก็อยู่อย่างนั้นแต่ตามทฤษฎีถ้าเราพิจารณาให้เซ็นมันก็เป็นเห็นนั่นควรที่จะพิจารณาให้เห็นกายของตนนี่เป็นของมีขุดค่าประโยชน์หรือมหาศาลเราได้กายมาแล้ว พิจารณาไปเถิดถึงลูกถึงกายพิจารณาให้เป็นของปฏิคูณสปลยเน่าให้เห็นอสุภะปฏิคูณเกิดสลดสังเวชขึ้นมาในใจถ้มามันํำนี้จำนานต้องแค้วในเรื่องเราพริจารณาไม่ใช่พิจารณาคนหนึ่งแล้วแล้วก็แล้วไป เห็นแล้วก็แล้วไปไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องพิจารณาบ่อยๆเมืก็เราทานอาหารฟันของเก่าอ่ะนะเกลียวของเก่าลิ้นของเก่าอ่ะนะรสชาติของเก่าอ่ะนะกินแล้วแตยังเคี้วอีกจะ่าคืนลงไปอีกกินมาของเก่านะอ่ะนะวันนี้แล้วก็วันหนังก็ทานรับทานอีก ความที่มีรสชาตินะนั่นความที่มีรสชาติมันเป็นเหตุให้ไม่ให้เบื่อได้เราพิจารณากายเสมอกันมันเห็นเป็นของแปลกอยู่เรื่อยมีรสชาติแปลกต่างอยู่เรื่อยชอบใจยินดีพอใจถ้าพิจารณา เห็นอย่างดิอย่างที่เห็นธรรมดาๆนี่นั้นเบื่อเช้นานาเทไรก็เท่าเก่าเนี่ยเช้านาเมื่อไรก็เท่าเก่าเท่าเก่าแล้ได้เบื่อการเบื่อนะั้นเพราะเหตุที่เรายังไม่สงบเต็มที่มันยังค่อยเบื่อ ล้ามันสงบเต็มที่นั่นแหะรสชาติมันแตกต่างเป็นเหตุนในพิจารณาอยู่เสมอเสม อ, สมอไม่อิ่มไม่เบื่อเพื่อให้พอใจยินดีกรรมการที่เราพิจารณานั่นอยู่นั่นจึงเป็นไฟผลความเจริญอยากจะให้จเจริญ เราไม่พิจารณาให้มันละเอียดทีทวนอยากจะให้เจริญแต่เราภาวนาไม่สงบอยากจะให้เจริญก้าวนาวใจใจเราไม่สงบมันก็ไม่ก้าวนาวแล้วทีการพิจารณาที่จะให้ก้าวนาวมันต้อ ง, องสงบสงบเสียก่อนเหตุนั้นการที่ จะพิจารณาเห็นเราเป็นของปฏิกูลสุโค้ดแล้วเห็นอสุภาษณ์แต่างๆก็ตามเถอะเห็นเป็นทุกข์ก็ตามเถอะถ้าใจไม่สงบแล้วมันไม่เห็นน่ะกอาการใจสงบเนี่ยเป็นของสําคัญที่สุดมันจะเกิดไปเกิดจากใจสงบใจไม่สงบกัอย่างธรรมดาด่านคนเราธรรมดาที่มองมองกันอูนอกจะเห็นเป็นธรรมดาแล้ว มันเห็นเป็นของสวยสดงดงามไปอีกจะคิดอะไรก็คิดไร้ะใส่กระตา่างเถอะมองดูน่ะเลยเป็นของสวยสดงดงามไปพัดมันไม่ใจไม่สงบเลยเพราะนั้นใจสงบแล้วของสวยสดงดงามจะใส่กระตา่างเถอรูปตั้งอจะภาพเป็นเงื่อตามเถอะมันเป็นเหตุให้สงบสังเวช น, น, นั้นจังว่ารสชาติมันจะเกิดขึ้นมาเพราะความสงบ ในความสำเร็จั้งเรืงนั้นจำ่างแต่เรื่องทั้งหลายเหล่านี้น่ะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกคนเกิดสสดแ่เกิดรูขภาพสกจิ๋วไม่ใช่เป็นมาทุกคนแต่ความเห็นจริงน่ะมันเห็นถึงเมือนกันเห็นทุกคนน่ะนะสภาพเป็นจริงนป็นอย่างไรมันเห็นจริงอย่างนั้นคือมันเห็นตามเป็นสภาพเป็นจริง ไม่ใช่อื่นไกลกายของเราที่เห็นน่นเป็นสุภาะเห็นอย่างนี้แหละสจภผ้าจริงไหมพิจารณาลงไปจริงไหมมือของเราไงมือที่เราหยิบอาหารเทปากนี่แหละเป็นของจริงไม่เป็นของอสุภาะจริงไหม อาหารไม่ล้างนั่งก็ส ก, กปรกร่างกายของเราทั้งหมดเหมือนกันถ้านไม่ล้างก็ไม่ไม่ชำระท่าแสง ก, ก, ก็ส ก, ก, ส ก, กปรกเน้นสาบเน้นโงงันน่นเป็นจริงทุกจริงทุกอย่างจริงมดพูดใครพูดอะไรจริงไม่ได้ถ้าไม่จริงก็ลองดูสิ มือของเราถ้าตัดออกจากนิ้วมือที่ตัดออกไปจกฝ่ามือแสดงยิบมันก็ไม่อยากยิบมันชกกระโปรกไปหนึ่งมันออกจากตัวของเราเป็นชกกระโปรงมดัดอันที่มันเห็นของสวยสดและงามเพราะมันอยู่กับคูตัวของเราเท่านั้นแหละแท้ที่จริงมันชกกระโปรยิบก็ไม่อยากยิบถูกต้องก็ไม่อยากถูกมันน่าเกลียดซะอีก เราเป็นทุกข์ไหมเกิดมาเป็นทุกข์ไหมที่เราเห็นเป็นสุขเป็นสุขหนึ่งพร้อมหลงงอเมาตังหกักพร้อมเป็นจริงแล้วมันทุกข์อยู่ทั้งวันกลางคืนทั้งกลางวันกลางคืนพราพุได้จ้าท่านเทศลวมมดเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่ทุกข์เท่านั้นแ่ะ ไม่มีอะไรหรอกทุกอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วดับไปทุกอันนี้ดับไปทุกอันอื่นเกิดขึ้นมาอีกแค่มันเป็นจริงไว้สานี้เรานั่งอย่างนี้แหละถ้ามันเหนื่อยมันเน็ดแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถไปยืน มันยืนมันเหนื่อยก็เปลี่ยนนิยาบทไปเดินเดินเหนื่อยก็ว่าเปลี่ยนนิยาบทมานั่งแล้วมานอนอาการที่เปลี่ยนนิยาบทนั้นคือหมายความว่ามันทุกข์แล้วยังค่อเปลี่ยนนิยาบทเพราะอาการเปลี่ยนนิยาบทนั่ะมันกาบังปกปิดกาบังเราไม้เห็นทุกข์คือมันเปลี่ยนออกไปมันหายไปพักหนึง พุกันี้หายไปก็เลยลืมแต่ทุกทุกในกายของเราทุกอื่นมาแทนที่เขาอีก น, นี่เลยจึงว่าเห็นตามเป็นจริงอาชพาก็เห็นตามเป็นจริงทุก็เห็นตามเป็นจริงทาง่านี้อนัตตาเราเห็นตามเป็นจริงไหมล่ะ คนไม่มีใครห้ามตามได้คมเกิดคงแก่คงเจ็บคงตายไม่มีใครห้ามได้สักคนเดียวนั่งอยู่เดียวนี้ก็ไม่มีใครห้ามไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวทุกข์่ไม่เห็นตัวอนัตตาซะอีกคือ น, น, นั่งเนี่ยมันเคลื่อนไอ้เวลาเวลามันเคลื่อนไหวใส่อ๊มันเคนนเลคื่อนไปทุกที่ทุกทีมันหมดไปทุกวันทุกวันหมดนาทีวินาทีมันหมดไปหมดไปแะใครห้ามได้ของคอนนั้น นั่นเนี่อนาตา่างตอนตอนรุ่งหมดตอนวันนี้หมดไปกับรุ่งสบาก็หมดไปแล้ววันนั่งกับมดจะอีกข้ามมาอีกมืดอีกแล้วก็สว่างอีกเปลี่ยนแสงไปอย่างนี้ทุกวันทุกวันให้ห้ามได้การเวลานั่นมันฆ่าชีวิตของเราให้หมด ไปหมดไปหาได้อยู่คงที่ไม่ทั้งเวลามันก็ฆ่าตัวมันเองด้วยเวันหมดไปมันก็ฆ่าตัวมันเองด้วยมันยิงได้เชื่อวเวลาไอ้อนาตาออนาตาใอ้ห้ามไม่ได้อนาตตาเมียังเปนมักษาความมีตนมีตัว เที่ยงก็เท่าไรก็ไม่มีที่ดี่ที่สุดกันงสองไม่มีตัวของมีเนี่สิอนาตตาของไม่มีจะเรียกว่าอนาตตาอะไรของมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาตั้งหาไม่อยู่เลยบังคับบัญชาของเราตั้งหาอนาตตาไม่ใช่ของไม่มีของมีนี่แหละอย่าไปเถียงกันเลยอนาตตา คล ง, ง, งก็มีจะไปเสียงเสียงท็าสดงวมีทีทททท่จิสุดค้องไม่เที่ยงไม่ท้าวรทั้งสามประการเนี่ยอ น, นิจจังทุกขณออาตามันรวมอันเดียวกันทำให้จากไออนัตตระคณาสูตรโต้เงเทศหนาขึ้นอนาตาไปก่อน รูปฟางพิกเวนตารรูปที่รูปรูปเป็นของอนัตตาถ้ารูปเป็นของอนัตตาแล้วไอถ้ารูปเป็นของอนัตตาแล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงอสิมันแสบปวดเนี่ยมันจะเป็นอนัตตามันแสบปวดนั่นที่มันเป็นทุกข์มันแสบปวดอยู่ตลอดเวลาเนี่มันนั่นนหะเป็นทุกข์ตกลงดเลยอันเดียวกัน อนนี้จังทุกขังหน้าตาได้เดียวกันแต่อนหน้าตาคนก็ะไดอันนี้จังทุกของอาาัาางก็ไดอนนี้จ้งทุกขังหน้าตาก็ไดเมื่อไหร่ลงเป็นอันเดียวกันนี่แหละมนุษย์สมบัติที่อธิบายฝังอันหน้าตาที่ตัวของเราเนี่ก็มนุษย์สมบัติพระพุทธเจ้าได้สำเร็จผลนิพพานกันนี้แหละว่ า, าสาวกไร้สําเร็จผลนิพพานจะนี่แหละ มนุษยสสบัตินี่นะเราอยู่ทุกวันนี้ก็ได้มนุษย์สมบัติยังค่อยเป็นจึงค่อยอยู่ได้ถ้าไม่ได้มนุษย์สมบัติแล้วคือตายมดเรื่องทําอะไรก็ไม่ได้ตายแล้วมดเรื่องเราได้มนุษย์สมบัติจึงค่อยพลิกไหวที่เปลี่ยนแปลงไปมาอยู่ตลอดเวลาติ้งอยู่ตลอดเวลา เหมือนกับท่อนไม้ท่อนปืนเนี่ยมันกิ้งไปกิ้งมาที่มีมนุษย์สมบัติอยู่มีกายวาจัใจไม่กิ้งไปกึ้งมาถือว่าริ้งไม่ถือว่าดื่นเจือเนินนั่งนองก็กกคือมันกิง้งนั่นแหละถ้ามันไม่กิง้งก็คือมันหยุดในหมดสมบัติมนุษย์สมบัติ่านั้น าอาชีบาเย็นถึงเรื่องมนุษย์สมบัติมากมายพวงคขอยุดตีเพียงแค่นี้